ยิ่งพลังบุญมากเทวดายิ่งอนุโมทนามากและยิ่งบุญนั้นเป็นไปในทางพ้นทุกพ้นอุปาทานพลังบุญนั้นยิ่งสว่างยิ่งจับใจเทพพญดาผู้เป็นสัมมาทิฏฐิเรียกเทพพยายดาผู้เป็นสัมมาทิฏฐิมาอนุโมทนาได้มหาศาลและเมื่อพวกท่านมาอนุโมทนาบ่อ ย, อยก็ยอมเกิดความผูกพันอยากช่วยเหลืออยากอำนวยสุขให้เองโดยไม่ต้องร้องขอ เทวดาอยากฟังมนุษย์ที่มีศีลมีสัตว์สวดมนต์เสมอครับเพราะพลังของศีลสัตว์จะทําให้บทสวดเปลงประกายศักดิ์สิทธิ์สว่างและเย็นถ้าคนสวดไม่มีศีลสัตว์ต่อให้เอาบทสวดที่ร่าลืออย่างไรมาสวดเปล่งเสียงสวดอย่างไรก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงไม่สว่างจริงไม่เย็นจริงอาจเกิดบุญพอจะช่วยส่งกําลังให้เปรดได้แต่เทวดาก็จะเหมือนเมิน อนุโมทนาแล้วไม่ค่อยอิ่มทิพนักคงคล้ายกับที่เราเห็นคนโกงกินหนักๆมานั่งสอนว่าวิธีทำดีทำอย่างไรรักษาศีลห้าให้สะอาดต้องห้ามใจท่าไหนลองคิดถึงตอนที่คุณต้องจำใจนั่งฟังเขาพร่ำพูดเรื่องความดีต่างๆนานาก็ประมาณนั้นละครับที่เทวดาจะรู้สึกเพราะในโลกวิญญาณเขาเห็นไสเห็นพุงหมดแล้วว่ามนุษย์คนหนึ่งหนึ่ง มีจิตวิญญาณที่สุขสว่างผ่องใสหรือแเปื้อนมนทินบาปประมาณใดหมายเหตุผู้อ่านสำหรับเนื้อหาบางบทความของคุณดังทรินบางย่อหน้าอาจมีกลุ่มประโยคซ้ำกับเนื้อหาบางตอนที่ผ่านมาแล้วบางนะครับเป็นการยกเนื้อหาบางจุดมาอธิบายเสริมเพิ่มเติ ม, ม, มหรือย้าจุดที่สำคัญอีกครั้ง ชี้แจงให้ทราบเพื่อผู้ฟังไม่สับสนและคิดว่าเป็นตอนเดียวกันนะครับสําหรับบทความตาสว่างรับอรุณนี้จะจัดทําอย่างน้อยวันละหนึ่งตอนอย่างให้ทุกท่านได้ฟังครบทุกตอนนะครับร่วมศึกษาธรรมไปพร้อมกันกับธรรมะข้อคิดวันละไม่กี่นาทีจะเกิดประโยชน์และให้แง่มุมชีวิตครบด้านเพื่อความเข้าใจธรรมที่หลากหลายซึ่งส่วนใหญ่บทความนี้จะเน้นเพื่อจเจริญสติดับทุก์และการเข้าใจกฎแห่งกรรม หลายหัวข้อชื่อเรื่องอาจบอกไม่ได้หมดถึงเนื้อหาจริงอาจมีอะไรซ่อนอยู่อีกหลายนัยยะและแม้จะดูไม่เกี่ยวกับชีวิตเราแต่ล้วนปรับไปใช้ในด้านอื่นได้อีกมากนะครับจึงน่าเสียดายอย่างยิ่งถ้าท่านจะเลือกฟังเฉพาะแค่ภาพหน้าปกหรือแค่ชื่อหัวข้อที่ท่านสนใจจึงขอฝังให้ทุกท่านเปิดใจฟังทุกเรื่องถือว่าร่วมศึกษาไปพร้อมกันในแต่ละวันนะครับซึ่งจะเป็นผลดีต่อท่านและคนรอบข้างหลายเรื่องดูไกลตัว แต่ก็นำไปช่วยแนะนำคนใกล้ตัวได้อย่างดีและถ้าพิจารณาให้ดีจะนำหลักการต่างๆที่เราเห็นว่าไม่เกี่ยวกับเราไปปรับใช้แก้ปัญหาอื่นๆได้อย่างกว้างขวางมากนะครับ